ห <Es> วิตกติอกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเหตุปัจจัยสาสสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ม no ีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร์อาศัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจาร์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระ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 อารามณปัจจัยมี49้าวาระอาธิปฏิปัจจัยมี32วาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมี25วาระอเจวณะปัจจัยยี25วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี49้าวาระพึ่งขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจาราเจ็ดปีติดิขะหนึ่งปฏิจาวาระหนึ่งปัจญานุโลม เหตุปัจจัยสาสิห้าสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติที่ไม่สหรคตด้วยสุขและที่ไม่สหรูปด้วยเบขาอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรคปด้วยเบคา อาศัยสภาวธรรมที่โสหรโคตูเบขาเกิดขึ้นมพระเหตุปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ไม่โสหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่โสหรคตด้วยปีติและที่โสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นมพระเหตุปัจจัยมีเจดวาระยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิบแดวาระอรมณะปัจจัยมียี่สิบสีวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบแดวาระ พึ่งขยายสหสชาตะวาระละถึงสัมพยุตตะวาระและปัญหาวาระให้พิจารณาแปทัศนบดีกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเหตุปัจจัยสามสิบหกสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม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 สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมัคเบืองบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมัคเบืองบนสาม เกิดขึ water, cream cream ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคตอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคตและมรรคเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมี19้าวาระอารมณะปัจจัยมี9้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี19้าวาระพึงขยายสหชาตวาระและถึงสัมยุตตาวาระและปัญหาวาระให้พิจารณาเกทัศน์นเหตุติกะหนึ่งปฏิจจวาระ 37สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคต์อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี26วาระอารมณะปัจจัยมียีสิเอดวาระอธิปติ ป, ป, ป, ปัจจัยมี19้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี26กวาระพึงขยายให้พิจารณ์ สิอาจายะคาไมเตึกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปจญานุโลมเหตุปัจจัยสามสิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ er ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม <children> <Netherlands> <without> ่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ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 และที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี19้าวาระอรมะมะณปัจจัยมีเ้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี19วาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสิ 11. เอเซกขะติกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลม เหตุปัจจัยสามสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอาเสขารุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอาเสขารุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเศะขบุคคลและที่ไม่ใช่ไม่เป็นของเสศะขบุคคลออาศะขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเาศะขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศะขบุคคลและที่ไม่เป็นของอาศะขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสศะขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเสะขบุคคล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศัขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาศัขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศขาบุคคล และที่ไม่ใช่ไม่เป็นของเสขาบุคคลอาเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและที่ไม่เป็นของอเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาเสขาบุคคล เกิดข <sheet>. ึ <cocon plain> ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอาศัยบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศับุคคลและอเสัยบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศับุคคลและอาศัยขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศัขบุคคลและอเสัยบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศับุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสศับุคคล และที่ไม่เป็นของอเสคขบุคคลอเจคขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเจคขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสคขาบุคคลและที่ไม่เป็นของอเสคขบุคคลอเจคขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเสคขาบุคคลและอเจคขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสคขบุคคลและที่ไม่เป็นของอเสคขบุคคลอเจคขบุคคล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศิคารุคคลและที่ไม่เป็นของเสขาบุคลอาศิคารุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเสขคารุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเศิคารุคคลและที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลอาศิคารุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลอเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบเก้าวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาร ะ, าร ะ, จจาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจาร สิปริตฐะติกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเหตุปัจจัยสีสสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตฐะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตฐะเกิด like ขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหคัตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตฐะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัปมาณะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตฐะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะและที่ไม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหาคตะและที่ไม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคัตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคัตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะและที่ไม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคัตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหาคัตและที่ไม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคัตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหาคตะและที่ไม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัปมานะ เกิดข e ึ้นพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะและที่ไม่เป็นมหคัตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอปปามานะเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหคัตตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอปปามานะเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอปปามานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอปปามนะเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นมหากตะและที่ไม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหากตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหากตะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหากตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัปมานะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็น ป, ปร şey> <mam общ, <mam ิตะและที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะและที่ไม่เป็นอ네ัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหคตะและที่ไม่เป็นอัปมานะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมี23วาระอรามะณะปัจจัยมี14วาระอธิปฏิปัจจัยมี19วาระและถึงอัญญามัญญาปัจจัยมี16หวาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมี9้าวาระอเซวณะปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมี23วาระทุกปัจจัเพึงขยายให้พิจาราสปริตารมณติกะ 1>, 1. ปฏิจจวาระ 41. สอสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีย1ดวาระอรมณะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอัญญมัญญะปัจจัยมี17วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี19วาระ 14. หินนติกะ หปฏิจจวาระ4ีสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่เป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกับสังกิเลสะสังกิเลสิกะติกะเหตุปัจจัยมีสิบเก้าวาระอรมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสิบเอดวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบเก้าวาระสิบห้า มิจตตาติปะหนึ ah ่งปฏิจาวะหนึ่งปัจญานุลมเหตุตัจปัจจสี่สิบสามสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลไม่แน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบให้ผลแน่นอนและที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดให้ผลแน่นอนและที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบให้ผลแน่นอน อาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 อาศัยสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่มีสภาวะผิดให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีสิบเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีสิบเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสิบหกมขารมณติกะหนึ่งปฏิจจวาระสี่สิบสี่สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัย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 ทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจารณาสิบเจอุป น, นิทุกกะเจปัญหาวาระสีสิห้าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ ย, ยังไม่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอุปนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระละถึง ควิคตาปัจจัยมีสามวาระสิบแปดอตีตติกะเจ็ดปัญหาวาระสี่สิบหกสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นปัใจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมาณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอุพานิสยปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสามวาระสิบเก้าอติตารมณติกะหนึ่งปฏ ah ิจจวาระสีสิเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอ น, กกษษ น, นอาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 เหตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระธรรมะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระยี่สิบอาชิตติตกะหนึ่งปฏิจจวาระสี่สิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยเพึงขยายให้พิดารณายี่สิบเอ็ดอชิตารมานาติกะหนึ่งปฏิจจวาระ4ี่สสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระ อารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระยี่สิบสองสนิทัสนะตึกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจาวาระเป็นต้นหนึ่งปจญานุโลมเหตุปัจใจห้าสิบสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้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 สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหกวาระย่อเหตุปัจจัยมีสิบแปดวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบแปดวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาพึงขยายสหชาติวาระละถึง สามปยุตตะวาระให้พิจารณาเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยห้าสิบอดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้โดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้โดยอารมณปัจจัยมีสามวาระย่อห้าสิบสองเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระ อธิปติปัจจัยมี12วาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงสหชาติตปัจจัยมี18วาระอัญญามัญญปัจจัยมี13วาระนิสยปัจจัยมี18วาระอุปานิสยปัจจัยมี9้าวาระปุเรชาติปัจจัยมี18วาระปัจฉาชาติตปัจจัยมี6วาระอาเจวะณปัจจัยมีสวาระกรรมปัจจัยมีหวาระ วิปากะปัจจัยมีหกวาระอาหาระปัจจัยมีหกวาระเอินทรียะปัจัจมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีหกวาระมัคคะปัจจัยมีหกวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจัจมียี่สิบเจดวาระพึงขยายปัญหาวาระให้พิจารณธามานุโลมปัญญะตือกระปัฐาน พระอภิธรรมปิฎกธรรมานุลมปั จ, จนิะทุกกะปทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเหตุทุกกะ หปฏิจจวาระเป็นต้นหนึ่งปัจจญานุโลงเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาิบายสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุติตะขันและจิตตสมถานรูปอาิบายสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละถึงสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอธิบายสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้น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 อารมณะปัจจัยมีเก้า ว, วาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีเก totally right ้าวาระสหชาตตวาระและถึงสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิจาวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัย 2. สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ โดยอรรถมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุโดยอรรถมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอรรถมณปัจจัยมีสามวาระย่อสาเหตุปัจจัยมีสามวาระอรรถมณปัจจัยมีเก้าวาระและถึง อุปาณิสยาปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวนาปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสัมำยุตตาปัจจัยมีเก้าวาระ วิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระพึ่งขยายปัญหาวาระให้พิสดารอย่างนี้ 2. สเหตุุกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ 4. สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุอาศัย ส, สภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัย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 อารามณปั จ, จัยมีหกวาระละถึงอธิปติปั จ, จัยมี5้าวาระละถึงอวิคตะปัจใจมี9วาระพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาส 3. เหตุสัมยุญตะทุกกะ 1. ปฏิจจวาระ 5. สภาวธรรมที่ไม่สัมยุญ ด, ด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญ ด, ด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปั จ, จัย สภาวะธรรมที่ม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ม่สัมปยุจด้วยเหตุและที่ไม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุจด้วยเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยเหตุและที่ไม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากเหตุเกิดขึ ot, ้นเพราะเหตุต <descon fin ery> ัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยเหตุและที่วิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยเหตุและที่วิปยุจจากเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมยุได้าายวรรยเหตุและที่ไม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยเหตุและที่วิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยยอ่อเหตุตปัจจัยมีก้าวาระอรมณะปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระพึ่งขยายสหชาตะวาระละถึง ปัญหาวาระให้พิสดารสเหตุเสหตุกะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหสภ <Iya. S 1> าวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 เกิดข <moon> ึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุมิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุ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 อวิคตะปัจจัยมีก้าวาระพึงขยายสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิสดาร 4. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะหนึ่งปฏิจจวาระ 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมปยุตโดยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจากเหตุ และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมบยุญัตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุไม่วิบยุจจากเหตุและที่ไม่วิบยุจจากเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมบยุญัตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิบยุจจากเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมบยุญัตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิปยุจากเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่สัมยุญโดยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุไม่วิปยุจากเหตุและที่ไม่วิปยุจากเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่สัมยุญโดยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิปยุจากเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุสจำปัจจด้วยเหตุและที่สจำปัจจด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจากเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุสจำปัจจด้วยเหตุและที่สจำปัจจด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุไม่วิปยุจจากเหตุและที่ไม่วิปยุจจากเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุ มาใชสภาวธรรมที่เป็นเหตุสรรปัจจุบันด้วยเหตุและที่สรรปัจจุบัด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยเมฆาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมฆาวาระพึงขยายสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารณาหกนเหตุสเสห์ตุกะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระแปด สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอาเสวันปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีก้าววาระพึงขยายสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารเหตุโคจกะจบ